ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทากันตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อความสำเร็จในเบื้องต้นนี้อ่ตมาจะเป็นผู้นำให้ว่าตามทุกๆคนข้าพเจ้ารละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ค, คุณบิ ด, ดามารดาคุณครูบาอาจารย์รงจงมาดลบรันรดาลให้ใจของข้าพเจ้ า, จ ง, งาจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโมสังคโค พุทโธธัมโมสังคโฆพุทโธธัมโมสังคโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไวในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาไหยทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตา นึกพุโทโธในใจพุโทโธให้อยู่ที่ใจคือหัวอกเบื้องซ้ายกำหนดใจของเราไว้ที่ใจอย่าให้ใจนี้สสยแสไปตามอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากอุปาทานอุปาทานนั้นได้แก่ความยึดถือ ยึดถือว่าเป็นตัวตนบุคคลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้จิตนี้ต้องฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์เมื่อฟุ้งซ่านจิตไม่เป็นสมาธิตัดความฟุ้งซ่านได้แล้วจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิหลายครั้งหลายครั้งเกิดพลังการเกิดพลังจิตนั้นเป็นสิ่งที่ประสงค์ การทำสมาธิจุดประสงค์อยู่ตรงไหนการทำสมาธิจุดประสงค์อยู่ตรงพลังจิตส่วนการกระทำนั่นก็คือการนั่งสมาธิและเราก็ทำให้จิตสงบไปเรื่อยๆเมื่อจิตสงบแล้วก็กลับกลายมาเป็นพลังจิตพลังจิตนั่นคือบารมี หรือเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมอบรมซึ่งบารมีรารเหตุใดภาะเหตุว่าพลังจิตนี้จะสะสมด้วยอย่างอื่นไม่ได้เราจะไปเที่ยวเอาหรือจะไปซื้อเอาหรือจะไปหาอุบายวิธีเอาอย่างไหนไหนไม่ได้ทั้งนั้นที่จะมาเสริมพลังจิต มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือการทำจิตให้เป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของจิตนั้นถือว่าเป็นการส่งเสริมพลังจิตความเป็นหนึ่งของจิตนั้นคือจิตเป็นสมาธิการเป็นสมาธินั้นนับแต่เราบริกรรมพุทโธก็เป็นแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิจะค่อยละเอียดลงตามลำดับ จนกระทั่งถึงไม่ต้องนึกพุโทโธจนกระทั่งจิตนั้นสงบแน่วแน่เมื่อเรานึกพุโทโธเราว่าพุโทโธได้เมื่อไรเมื่อนั้นจิตก็เป็นสมาธิแล้วบางคนคิดว่าเอ๊ทำไมเราทาจิตมันถึงไม่เป็นสมาธิเข้าใจผิดการเป็นสมาธินั้นเริ่มแต่จับพุโทโธไปแล้ว เมื่อจับได้ก็ถือว่าเป็นสมาธิขั้นตน้นสมาธิจุดประสงค์คือพลังจิตเมื่อความสงบมากเขานั้นจะกลับกลายมาเป็นพลังจิตทั้งสิ้นและพลังจิตนี้จะตั้งอยู่ที่จิตโดยไม่มีการสูญเสียเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการเกรดทำให้เกิดพลังจิตนี้เป็นอามะตธรรม เหมือน ก, นกันกับเราทำบุญกุศลต่างๆเราให้ทานร้อยบาทพันบาทมื่นบาทแสนบาทกี่เท่าไหรก็แล้วแต่เงินเหล่านั้นก็ใช้จ่ายไปตามเรื่องจะเป็นกุศิเป็นเจดีเป็นวัดวาอารามแต่ว่าบุญนั้นได้อยู่ที่จิตของท่านทั้งหลาย บริจาคไปร้อยบุญก็อยู่ในจิตร้อยบริจาคไปพันบุญก็อยู่ในจิตพันบริจาคไปหมื่นไปแสนบุญก็อยู่ในจิตเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่ในจิตนั้นแล้วแต่ส่วนเงินที่บริจาคไปนั้นเป็นเพียงวัตถุแล้วก็กลับกลายไปเป็นสภาพกุฏิบ้างวัดวาอารามเจดีย์หรือว่าเป็นอาหารอะไรก็สุดแล้วแต่ ส่วนนั้นมันก็เป็นวัตถุไปส่วนที่เป็นบุญนั้นร้อยพันหมื่นแสนก็อยู่ในจิตไม่ได้สูญเสียแม้แต่นิดเดียวฉันใดก็ดีการสร้างพลังจิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทําสมาธิมากเข้าไปเท่าไรนั้นสมาธิเหล่านี้ไม่มีการสูญเสียแม้แต่นิดเดียวเราจะนั่ง ชั่วโมงสองชั่วโมงนาทีสิบนาทีหรือเราจะนั่งกี่ครั้งกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่สมาธิเหล่านี้จะกลับเข้ามาเป็นพลังจิตแล้วก็กลับกลายไปเป็นมหากุศลซึ่งไม่มีการสูญเสียไปได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานั้น นับถึงสีอสงขายแสนกับพระองค์ก็ทำลงไปที่จิตของพระองค์นั่นเองในชาติหนึ่งสองชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติโกดชาติอาสงขายชาติก็แล้วแต่ส่วนที่ก็ทำนั้นก็จะต้องเข้ามาคือเข้ามาอยู่ในจิตของพระองค์นั่นจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมแล้วได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แม่พวกเราก็เช่นเดียวกันคือการที่พวกเราได้ทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายคือพลังจิตจุดมุ่งหมายพลังจิตอันนี้ก็กำหนดไว้ที่จิตแล้วฝังสนิทติดไว้ที่ใจของเราที่เรียกว่าเป็นอามาตะธรรมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้ที่พากาันบำเพ็ญจิตจึงไม่น่าน้อยใจ ว่าเราทำไมทำถึงไม่ได้อะไรที่จริงนั่นได้ต่งเยอะแยะแต่เราไม่ได้รู้ตัวเราเองการที่เราสร้างพลังจิตก็เปรียบประดุ จ, จะเราพากันเลี้ยงเด็กการเลี้ยงเด็กนั่นก็จะต้องให้อาหารเมื่ออาหารถูกปากอาหารถูกกำลังร่างกายก็โตขึ้น การโตขึ้นนั้นอ่ะเป็นจุดประสงค์ที่พ่อแม่ทั้งหลายจะต้องการให้ลูกของตัวโตวขึ้นและด้วยการเลี้ยงอาหารต่างๆอาหารต่างๆนั้นมันก็เป็นเพียงวัตถุที่จะต้องแปลสภาพออกไปเป็นกา ก, ากต่อไปส่วนที่เป็นโปรตีนวิตามินต่างๆร่างกายนี้ ก็ะจะเข้าไปเสริมร่างกายนี้ให้เติบใหญ่ข้อนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ทำสมาธิเมื่อทำสมาธิไปแล้วสมาธิเหล่านั้นจะกลับกลายมาเป็นพลังจิตแล้วก็กลับกลายมาเป็นกุศลเป็นบารมีที่เข้ามาฝังสนิท ต, ติดอยู่ในใจของเราเริ่มเติบโตไปตามลำดับ เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าน้อยใจในการปฏิบัติสมาธิเราก็ทำของเราเรื่อยไปเมื่อทาของเราเรื่อยไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการสะสมหรือเรียกว่าเราได้ของเราตลอดการได้ตลอดไปนั่นเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่น่ายินดีต่อแต่ละบุคคลผู้ทียมเพน ผู้ที่บำเพ็ญสมาธินีเป็นผู้ที่มีความศรัทธาหรือเรียกว่าศรัทธาที่มีอยู่ภายในจิตการศรัทธาที่มีอยู่ภายในจิตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องคือไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะบังคับให้กระทาแต่เราเป็นผู้มีศรัทธาที่จะกระทาขึ้นมาเองและ ผลที่พึงได้รับนั้นตัวของเราเองก็จะเป็นผู้รู้เองเพราะฉะนั้นในธรรมคุณพระองค์จึงได้พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงว่าสวากขาโตภะวตาธรรมโมพระธรรมที่พระภูมิพระภาคตรัสดีแล้วสันิกธิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองอาการโกเป็นสิ่งที่ไม่เลือกการเวลา เอหิป eh ัสสิโกควรร้องเรียกคนอื่นมาดูได้โอปนณะยิโกควรน้อมมาใส่ใจปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิวินยูชนจะพึงรู้ได้โดยเฉพาะตัวของเราเองวินยูชนพึงรู้ได้โดยตนเองทำที่พระภูมีพระภาตัสดีแล้วนั้นก็คือเป็นสวากขาตธรรม เป็นธรรมที่เรียกว่าสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะลงไปสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นอย่างจรงจิงๆถึงเรียกว่าสัจธรรมคนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปจริงๆคนสร้างสมาธิขึ้นเป็นสมาธิจริงๆสร้างวิปัสสนาขึ้นเป็นวิปัสสนาจริงๆเมื่อกระทาให้จิตถึงซึ่งพระนิพพานก็ถึงพระนิพพานจริงๆ อย่างนี้เรียกว่าสวาัขาตธรรมคือธรรมที่พระภูมิพระภาคตรัสดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเมื่อเรากระทำไปความเยอเือกเย็นความสบายความผ่องใสความสะอาดความบริสุทธิ์เราเห็นด้วยตัวของเราเองเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วควรที่จะ สันทิธิก็อากาลิโกเป็นสิ่งที่ไม่เลือกคือไม่เลือกการเวลาจะเป็นเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้กลางวันทำได้กลางคืนทาได้ในพรรษาทำได้นอกพรรษาทำได้ไม่ว่าจะเป็นในบ้านทำได้ในป่าทำได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดทำได้จึง เ, เรียกว่าอากาลิโกทำเมื่อไรก็ได้เมื่อ น, นั้นไม่ใช่ว่า าทำจะต้องทำตอนเย็นตอนเชา้าถ้าทำมันไม่ได้หรือว่าจะทำตอนเชา้าตอนเย็นทำมันก็จะไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นทำได้เราจะทำเวลาใดผลก็ได้เวลานั้นนี่เรียกว่าอากาลิโกเอฮิปั ส, สโกควรร้องเรียกคนอื่นมาดูได้คือมันเป็นของมีจริงไม่ใช่เราสัพต์ ว, ว่าทำเหน็ดเหนื่อยเปล่า แต่ว่าการกระทําของเรานั้นเป็นการกระทําที่มีจริงมองเห็นได้จริงชัดเจนจริงๆในใจของเรามีจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าจะร้องเรียกคนอื่นมาดูได้หว่ามันมีอย่างนี้สบายอย่างนี้เยันใจอย่างนี้แต่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้เมื่อไปบอกเขาเขาก็เออเ อ, อไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในข้อต่อไป พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าโอปนัญิโกให้น้อมมาใส่ตนเขาไม่เชื่อก็อย่าไปอย่าไปเสียใจเราก็ควรน้อมมาใส่ตัวของเราว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวของเราแท้จริงจึงเรียกว่าโอปนัญิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิวินยูชนะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยเขาจะรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นการสร้างสมาธิจริงเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเรามีจุดประสงค์คือพลังจิตเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องไม่ต้องไปคิดว่าเราจะสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้เรามีหน้าที่ทำเราทำเราทำไปตลอด บางคนคิดว่าแอดทำไมมันเป็นอย่างงั้นมันเป็นอย่างงี้แอดทำอย่างงี้ทำไมมันเป็นอย่างงั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าวิจิกิจชาคือความสงสัยไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันเกิดขึ้นในจิตเรามีหน้าที่ทำท ำ, ทำตาพฤติเมื่อเป็นเช่นนั้นในที่สุดถึงที่สุดพลังจิตเกิดขึ้นเรียกว่าเติบโตขึ้นตามลาดับการเติบโตของพลังจิตนี้จริงถือว่า แเป็นการเติบโตของวาสนาบารมีหากว่าเราจะต้องตายไปในกลางคันอันนี้ก็จะต้องตามเราไปส่งเรียกว่าต่อไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เราต่อจากที่เราทำไปได้เลยมันก็จะเป็นความดีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในในชาติต่อไปเมื่อการสร้างพลังจิตอันนี้นั้น มันเป็นเรื่องของวิหารธรรมการสร้างสมาธิให้แก่ตนเขาเรียกว่าวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าอะไรวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอยู่ของจิตเหมือนกันกันกบเรือนเป็นเครื่องอยู่ของกายกายของเราต้องอาศัยเรือนนอนมีห้องหักมีประตูหน้าต่างเป็นที่หลับนอน เรียกว่าที่อยู่ของกายส่วนที่อยู่ของใจเรียกว่าวิหารธรรมคือที่เครื่องอยู่ของใจก็คือสมาธิความเป็นสมาธิของจิตนั่นเรียกว่าวิหารธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละวันโนวันจำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องอยู่เมื่อเรามีกิจการงานเกี่ยวข้องกังวลมาก ยากที่จะปลีกตนของตอนประพึกปฏิบัติธรรมะต่างๆได้สมาธิที่เราเคยกระทําไว้แล้วนั้น<ม>เราก็เอาสมาธินั้นเป็นเครื่องอยู่แค่เราจะต้องอยู่ทั้งเช้าอยู่ทั้งกลางวันอยู่ทั้งเย็นอยู่ทั้งกลา ง, ง, งคืนตื่นเช้าขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็มีกลางวันตอนเย็นกลางคืนก็เวียนไปอยู่อย่างนี้แหละนับจากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปี จากคี่เป็นรอบอะไรต่างๆเหล่านี้คือว่าเราจะต้องมีชีวิตไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแต่แทนที่เราจะมีชีวิตไปโดยที่เราทำความฟุ้งซ่านให้แก่ตัวของเราเรากลับเป็นผู้ที่มีสมาธิอยู่ในจิตของเราอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็เท่ากับว่ามีเครื่องอยู่เราไม่ต้องไปร้อนใจว่าเราจะต้องไปเที่ยวให้มันสนุกอย่างนั้นเสียเงินอย่างนี้ไปเที่ยวที่นั่นเสียเงินเท่านั้นไปเที่ยวที่นี่เสียเงินเท่านี้เสียเงินแค่นี้ไม่อานาคตรร้อนใจนึกว่านั่นเป็นเครื่องอยู่แท้ที่จริงแม้จะเสียเงินเสียทองเองที่ยวจะอากาศหาที่อยู่ต่างๆมันก็ไม่ได้ใช ชื่อว่าเป็นวิหารธรรมไม่ใช่เป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อบุคคลมาพากันปฏิบัติทำความดีเกิดขึ้นหรือทำสมาธิอันนี้เกิดขึ้นแล้วคราวนี้แหละเราก็มีเครื่องอยู่นี่เป็นคุณสมบัติของสมาธินอกเหนือจากนั้นเราต้องการพ้นทุกข์ละเราไม่ต้องการอยากจะอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป เราอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำจิตของเราเพื่อพ้นกิเลสในเมื่อเราต้องการจะออกจากโลกนี้ไปคือไปถึงสึ่งพระนิพพานการไปถึงสึ่งพระนิพพานนั้นไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอยู่ในสถานที่นั้นเรียกว่าเอากันต์บรลมสุต มีความสุขยอดเยี่ยมอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เจีย่ยนเรียกว่าพระนิพพานการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่พระนิพพานนั้นต้องอาศัยหนทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสว่าเอโกอยังพิกเเวม ก, กุลเด็กก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางมีทางเดียวบุคคลผู้เดียวจะเดินไปนั้นก็คือ อริยสัตว์สี่อริยสัตว์สี่นั่นมีทุกขสมุทัยนิโรธมักเราพากันจำเอาไว้ใส่ใจว่าทุกขสมุทัยนิโรธมักทุกนั้นได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายร่างกายของเรานี่และเป็นผู้เกิดมาและแก่และเจ็บและตายร่างกายอันนี้จึงเรียกว่าเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราจะ ลำบำเพนอริยสัจข้อที่หนึ่งเราจะต้องพิจารณากายการพิจารณากายนั่นก็ต้องอาศัยสมาธิที่เราได้ดำเนินมาแล้วเมื่อสมาธิมีกำลังก็เกิดตาทิพย์คือตาภายในเรียกว่าทิพพจักสุขเมื่อตาภายในเกิดขึ้นก็เอาตาภายในนี้พิจารณาดูพิจารณาดูก็เห็นว่าอ้าว ร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ตัวตอนนี้มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นเพียงดินน้ำไฟลมเท่านั้นพิจารณาอย่างนี้เห็นจริงแจ้งประจักอย่างที่ท่านปัญจวัคคีย์ท่านพิจารณาพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปังพิฆเวอนัตตาดูก่อนพิสุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนปริวัตที่สองพระองค์กทรงแสดงว่า ตังกิงมัญญะทะพิกฆเวรูปังอธิจังวาอา น, นิจังวาติดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไนรูปเทียงหรือไม่เทียงในปริวัตรที่สามพระพุทธอ ง, องค์ก็ทรงตรัสว่าตัศมาติหาภิกฆเวเพราะเหตุนั้นพิกษุท์ทั้งหลายรูปังอตีตังอานาตังประจุ ป, ปันนังรูปในอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตก็คือ นับตั้งแต่นี้ไปห้าสิบสี่สิบสามสิบ1ี่สบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอยู่ในคันบรรดานี่เรียวกว่าการอดีตการอนาคตก็คือจากนี้ไปหกเจ็ดแปดหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบตายแล้วเกิดเป็นธาตุเกิดเน่าเกิดป่วยธาตุดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นไฟลมเป็นลมไฟเป็นไฟสลายตัวเรียกว่าตายเรียกอนาคตต่างว่า ปัจจุปนังว่ารูปในปัจจุบันก็คือรูปของเรานี้อยังขอเมกายของเรานี่แลอุดทางปาทัตลาเรื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสสมัติกาเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปกาจาริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานับปการักษาสุจินโตร่เป็นปเด็กของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมัสินิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสโลมานะข า, าทำจากผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี้เรียกว่าปัจจุปนังวา่า สัพพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโซหามัสมนิดนะเมโซอัตตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยาถาภูตางสมะปัญญาอย่าละตวังให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบเมื่อท่านปัญจวัคคีย์พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายรูปัตสนิงตินิวินติเบื่อหน่ายในรูปอันนี้แหละคือเรียกว่า องอริยสัจือเรียกว่าตัวทุกขสัต์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปริเยยันติเมภิกทเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกําหนดรู้กําหนดรู้นั้นการที่จะกําหนดรู้ได้ต้องศึกษาซะก่อนทาไมศึกษาซะก่อนนั้นเรากําหนดรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ดําเนินวิปัสสนาในขั้นแรกจึงเรียกว่าเสขะบุคคลบุคคลที่ยังจะต้องศึกษาอยู่ การศึกษากระดังได้กล่าวแล้วเช่นเดียวกันกับเทท่านปัญจวคีได้ศึกษามาแล้วนั่นแหละเมื่อศึกษาเป็นไปตามนั้นเกิดนิพพยานความเมื่อนัยขึ้นมาแล้วก็เป็นอันว่าเราละได้ในอริยสัจข้อที่สองนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าป่าหาตะบันติเมพิเทเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสมุทัยควรละการที่จะละออกไปได้นั้น ก็ต่อเมื่อผู้นั้นได้บำเพ็ญถูกต้องเหมือนกันกับบุคคลที่จะละความหิวจาเป็นต้องรับประทานอาหารเราไม่ต้องไปพูดบอกว่าให้มันอิ่มมันก็อิ่มไปเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นจริงแจ้งไปจกักตามที่พิจารณาทุกขสัตว์นั้นแล้วจิตนี้ก็จะไม่งมงายอยู่ในตัณหา ปัญหานั้นคือความเพย์ยทะยานกำหนักยินดีในกามคุณ ต, ต่างๆจะเรียกว่าตัญหาปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์โดยทั่วไปแต่ถ้าหากว่าพิจารณาทุกอันนี้เห็นจริงแจ้งไปจากแล้วตัญหาอันนี้จะดับออกไปจากจิตไม่มีเหลืออยู่ที่จิตจึงเรียกว่าละปหาตะวันจีเมพิคาเวดูก่อนพิสูจทั้งหลายสามมุทไทควรละ มันละไปเองขอให้พิจารณาดูตัวทุกอย่างเดียวในข้อที่สามพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัจจิกาตะบันติเมภิกเทเวดูกรพิสุทธทั้งหลายนิโรธควรทําให้แจ้งนิโรธควรทําให้แจ้งนิโรธแปลว่าความดับทุกข์เราไม่ได้คิดเอาว่าเราจะดับเดี๋ยวเราไปคิดกินเหล้าเพื่อจะดับทุกข์อันนั้นมันก็ไม่ถูกแล้ว หรือเราคิดว่าเราจะวางยาสลบดับทุกข์มันก็ไม่ถูกแล้วหรือเราจะคิดฆ่าตัวตายดับทุกข์มันก็ไม่ถูกแล้วหรือเราจะไปพยายามทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปอยู่ในห้องเล็กๆปิดประตูให้หมดเพื่อดับทุกข์มันก็ไม่ถูกแล้วแต่การดับทุกข์นั้นพระพุเทธเจ้าตรัสว่าสัจจการตบันติเมภิกขเวดูกนทิสุทั้งหลายมิรอควรทาให้แจ้ง การทำให้แจ้งนั่นก็เปรียบเหมือนกันกับผู้ที่เรียนหนังสือในขั้นแรกเขียนกขกาหัว อ, อ, อ, อ, อ, อ, อลงหัว ข, ขึ้นสารพัดแต่พอเรียนไปปีผ่านสองปีผ่านสามปีผ่านหลายปีผ่านนั่นก็เขียนได้เมื่อถึงคราวผ่านแล้วทีนี้เมื่ออ่านออกเขียนได้หลับตาก็เขียนได้แล้วความโง่เหล่านั้นจะไม่กลับมาอีกเป็นอันขาด คือการที่เราอ่านหนังสือออกแล้วเราจะกลับกลายเป็นคนอ่านไม่ออกอีกนั่นย่อมไม่ได้เราก็อ่านออกไปวันยังค่ำศาสาิกาตะันจิเมติกเทเวดูก่อนที่สือทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งก็เหมือนกันนั่นเองแจ้งแล้วว่าเราเนี่ยจบมัธยมจบปริญญาเนี่ใครจะมารู้เท่าตัวเราเราเป็นผู้ที่รู้ตัวเราเองว่าเราจบแล้วเราได้วิชานี้มาแล้ว นี่เรียกว่าสัจจการบันติเมพิกขเวดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายนี้ร้อยคนทาให้แจ้งอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ว่าเมื่อจิตของเราได้ละกามกคุณต่างๆได้แล้วนี่มันเกิดความดับทุกข์แค่ไหนคนเราที่ยังอยู่ในกามกคุณต่างๆนั้นทุกทุกหล้นฟ้านอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกนอนอยู่คนเดียวยิ่งทุกใหญ่ไม่รู้ไปอยู่ที่ตรงไหนทุกตามติดตามไปด้วย ลงน้ำขึ้นบอกทุกติดตามไปด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าทำให้เป็นนิโรธสัตว์เคยพิจารณาเห็นจริงแจ้งไปจกักวางไปแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเกิดนิพพยาณความเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยเป็นวิปั ส, สนาเช่นนี้แล้วมันดับไปการดับไปนั่นตัวบุคคลคนนั้นก็สัจจิกาตะันกิเมพิเทเวดูกอนพิสูจทั้งหลายนิโรธควรทาให้แจ้ง ในข้อต่อไปนั้นพระพุทธเจ้าแสดงว่ามาัคภาเวตะ บ, บันติเมพิคเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายมัคควรเจริญให้มากการดับทุกข์นั้นก็เหมือน ก, นกันกับที่ว่าคนที่เรียนหนังสือเมื่อจะเรียนไปแล้วพออ่านออกเขียนได้ก็ได้แต่ว่ายังมีอีกที่จะต้องเรียนมัธยมเพื่อประโยชน์ยังมีอีกที่จะต้องเรียนปริญญา เพื่อประโยชน์ยังมีอีกที่จะเรียนถึงด็อกเตอร์เพื่อประโยชน์อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเทียบที่ว่าเมื่อเราทําได้แล้วเราอยากใยายามหยุดยั้งไม่เพียงแค่นั้นพาเวตาบันติเมพิคเวดูก่อนพิจิุรทั้งหลายมักควรเจริญให้มากเมื่อเราพิจรารณาเห็นจริงแจ้งไปจากลงไปเกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเราเจริญให้มากได้ เราจะินไปเรื่อยจนกว่าจะถึงที่สุดเอากันถึงพระนิพพานก็เรียกว่าถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีพลังห้าประการพลังห้าประการนั้นคือศรัทธาพระละมีริยะพระละสติพระละสมาธิพระละปัญญาพละศรัทธาพระละนั้นก็คือการเชื่อมั่นการปฏิบัติของเรานี้ เมื่อเราพิจารณาดูกายแล้วเราก็เห็นการเห็นกายนั้นเรียกว่าหลับตาเห็นเห็นลงไปแล้วก็เกิดความเบื่อนหน่ายแจ้งไปจับลงไปเราก็ทวนกระแสจิตกลับมาว่าใครเป็นผู้เห็นเมื่อเราจับตัวผู้เห็นได้ก็เรีย ก, กว่าเราได้ต้นทางเมื่อเราได้ต้นทางอย่างนี้แล้วจิตของเราจะมั่นคง มั่นคงที่ว่าไม่มีการสงสัยอีกต่อไปว่าการทําสมาธินี้จะถูกหรือผิดไม่มีการสงสัยอีกต่อไปไม่มีการสงสัยอีกต่อไปเลยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสารัทธาภละมีศรัทธามั่นคงไม่ต้องว่าเอออาจารย์ตรงนี้ดีโอ้อาจารย์ตรง น, นั้นดีเอออาจารย์ตรงนี้ดีออย่างนี้ไม่ต้องเมะมีความรู้อยู่ในใจแล้วเรียกว่าแน่ เพราะฉะนั้น เ, เมื่อเป็นเช่นนี้วิริยะพละคือความเพียรที่เป็นกำลังยิ่งใหญ่คือไม่ต้องมีใครม า, าตั้งข้อบังคับให้เราว่าเราต้องนั่งสมาธิแต่ว่าเรามีศรัทธาอยากจะทำเองถ้าไม่ทำมันก็เหมือนว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างอย่างนี้เรียกว่ า, าวิริยะพละสม า, าสติพละก็มีความระลึกพิจารณาเห็นกายอยู่เสมอ อันนี้เป็นกระดูกที่ครองอันนี้เป็นกระดูกขาอันนี่เป็นกระดูกแขนอันนี้เป็นกระโหลกศีรษะอะไรต่างๆนี่ก็เห็นพิจารณาเห็นอยู่เสมอเรียกว่าสติพละสมาธิพละนั้นเมื่อเราจะทำจิตเมื่อไรจิตมันก็เข้าสมาธิเป็นเวหาธรรมได้ทันเทอเรียกว่าสมาธิพละเมื่อเราจะพิจารณากายเมื่อไรเราก็พิจารณาได้ คืออเมื่อมีมีพลังจิตจิตนั่นก็มีกระแสกระแสจิตก็พิจารณาเห็นเห็นกายแจ้งไปจากษ์งไปทุกเมื่อพิจารณาเมื่อไรก็เห็นมานั่นอย่างนี้เรีย ก, กว่าปัญญาพละพละทั้งห้าประการนี้เท่ากับว่าเป็นกองทัพใหญ่ที่จะเข้าห้ำหั่นฆ่าศึกให้ประชาชัยพ่ายแพ้ไปได้ก็เหมือนกันกันกบที่ว่าพาเวตะบันติเมพิเทเว ดูกพรพิสูจน์ทั้งหลายมิรอควรทำให้เอ้ยดูกพรพิสูจน์ทั้งหลายมักควรเจริญให้มากการที่จะเจริญให้มากได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยพระทั้งห้ามีศรัทธาพระวิญญาณพระสติพระสมาธิพระปัญญาพระเมื่อดำเนินจิตเช่นนี้แล้วพระนิพพานก็จะต้องถึงไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเราสามารถที่จะเดินทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยข้อปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เช่นนี้เมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจในข้อความเหล่านี้แล้วจงกำหนดจดจำเอาไว้เมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นแก่เราแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อ เราได้ดำเนินงานมาดำเนินจิตทั้งเรามาถึงขั้นนี้แล้ว